แต่ทีนี้ว่าดีว่าพระเจ้ า, าชาติศัตรูเนี่ยไปปรึกษากับพระพุทธเจ้าพราะองค์ก็เอกล่าวถึงวิธีที่เรียกว่าก็เหมือนกับสับรางรถไฟใช่ไหมมันจะได้ยังไม่ต้องชนกันเหมือนกันเถอะงั้นข้อความในพระสูตรจึงกล่าวว่าอหลังจากที่เขาไปนะพร ะ, พระเจ้ า, าชาติศัตรูนั้นสั่งวัสการะพรามเสร็จแล้ววสปาระพรามมหาอมาตของแคว้นมคธกราบทูลพระดํารัส ทูลรับพระดำรัสของพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นใหญ่ในแควนมคตโอรสของพระนางเวเทหิว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็คือรับคำนะว่าจะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็เทียมยานทั้งหลายที่ใหญ่ๆแล้วก็ขึ้นยานที่ใหญ่ใหญ่ใครใช้เครื่องอลังการมากนะสมัยนี้ก็แทบปิดถนนไปเลยแหละเสร็จแล้วก็ออกจากกรุงราชคลึกด้วยยานทั้งหลายที่ใหญ่ๆไปจนถึงภูเขาคิชกูต ไปด้วยยานตลอดพื้นที่ที่ยานไปได้แล้วก็ลงจากยานเดินเท้าขึ้นไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นชื่นชมกับพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวถ้อยคำหน้าชื่นชมควรระลึกถึงกันแล้วก็นั่งอยู่ณด้านหนึ่งวสการพรามมหาอมารรตของแควนมคธผู้นั่งแล้วณด้านหนึ่งก็ได้กราบทูลคํานี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระราชาอาชาติสตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคธโอรสของพระนางเวเทหิตถวายบังคมพระยุคลบาทของพระโคดมผู้เจริญด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงความไร้พระโรคาพาธความคล่องพระองค์พระกำลังการทรงพระสําราญข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระราชาอาชาติสตรูผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคธโอรสของพระนางเวเทหิต มีพระราชประสงค์จะเสด็จเข้าไปปราบปรามแคว้นวัชชีเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสอย่างนี้อีกว่าเพราะพวกเจ้าวัชชีทั้งหลายเหล่านี้มีฤทธิ์มากคือสามัคคีกันดีมีอนุภาพมากก็คือชํานาญในการรบเป็นต้นเราจะถอนทำลายแคว้นวัดชีจะทำแคว้นวัชชีให้พินาศจะทำแคว้นวัดชีให้ถึงความย่อยยับอันนั้นก็คือกราบทูลเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังทั้งหมด พระพุทธเจ้านี้ไม่คุยกับพราหมเลยหันไปสนทนากับพระนนทหันไปปรึกษากับพระนนท์นะคุยกับพระนนทให้วัสการพรามฟังซึ่งสมัยนั้นแลท่านท่านนนก็ยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องพระปิสดางนะนั่งยืนพัดข้างหลังอันนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับท่านท่านนนว่าดูก่อนอนน์เธอได้ยินว่าอย่างไรเจ้าวัดชีทั้งหลายยังประชุมกันเนืองๆยังประชุมกันมากอยู่หรือ คือเขาประชุมกันเป็นระยะใช่ไหมบ้านเมืองนี้เขายังประชุมกันดีอยู่หรือเปล่าพระนนท์ก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจ้าวัดชีทั้งหลายประชุมกันเนืองๆประชุมกันมากพระเจ้าค่าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อน อ, อนนท์เจ้าวัดชีทั้งหลายยังจักประชุมกันเนืองๆยังจัดประชุมกันอยู่มากตลอดการเพียงไรดูก่อน อ, อนน์เจ้าวัดชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ถ้าหมั่นประชุมกันบ่อยๆนะ การประชุมกันก็จะมีการปรึกษาห า, หาหรือราชกิจราชการอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะนั้นการประชุมเนี่ยเป็นที่มาของการพูดคุยกันแก้ไขปรับปรุงในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเสริมเพิ่มต่อเติมสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไปอธิบายเพิ่มเติมว่าอภิษณ น, นิปาตาประชุมกันวันละสามครั้งบ้างประชุมกันเป็นระยะบ้างเรียกว่าประชุมกันเนือง นะว่าพินหะก็แปลว่าบ่อยๆประชุมกันบ่อยๆเช่นทุกอะไรทุกวันบ้างวันละหลายครั้งบ้างประชุมกันเป็นระยะระยะบ้างบทว่าสันนิปาต้าหุลาเมื่อไม่หยุดไม่หยุดพักว่าเมื่อวานก็ประชุมกันทั้งวันก่อนก็ประชุมกันวันนี้ประชุมกันอีกทําไมก็แปลว่าประชุมกันบ่อยสามารถประชุมกันได้ทุกวันถ้ามีกิจมีอะไรเนี่ยนะที่เหมาะสมร ก็บอกถ้าหากว่าไม่มีการประชุมกันเลยอะไรจะเกิดขึ้นสมมติโทษของบ้านเมืองที่ไม่มีการประชุมกันเลยก็บอกว่าก็จะไม่ได้ฟังข่าวที่มาจากทุกทิศจังหวัดทิศถาที่สาณุทิศทิศน้อยทิศใหญ่เนี่ยนะเมื่อไม่ได้ฟังข่าวก็ไม่รู้เรื่องอาวุธตอนเนี้ความวุ่นวายเกิดที่ไหนบ้างเช่นที่บ้านโน้นนิคมโน่นหรือที่อำเภอโน้นโจนมั่วสมกันเป็นต้นเนี่ยนะก็จะไม่มีข่าวมีข่าวการเป็นอยู่ของ ประชาชนเลยก็แทบว่าทุกคนก็อยู่สบายๆไม่ทราบสารทุกสุขดิบของประชาชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้อย่างนี้พวกโจรก็ได้ช่องละโจรก็รู้ว่าพวกเจ้าเหล่านี้นี่ประมาทก็เลยปล้นบ้านปล้นนิคมทำชนบทให้พินาศอันนี้เสื่อมแน่นอนเพราะเพราะอะไรเพราะไม่มีการประชุมเพื่อรับฟังข่าวคร า, าวเนี่ยนะสำหรับผู้ปกครองทั้งหลายก็ต้องมีการประชุมรับฟังข่าวคราวปัญหาสุขทุกข์ของ ประชาชนเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็มาช่วยกันวินิจฉัยแก้ไขเพราะฉะนั้นเมื่อมีการประชุมก็จะรู้ข่าวนั้นๆจากที่นั้นเสร็จแล้วก็ส่งกองกําลังไปปราบปรามผู้ที่ไม่ใช่มิตรนะผู้ที่สร้างความพินาศให้นิคมชนบทราชธานีทั้งหลายพวกนั้นก็จะหนีไปเพราะฉะนั้นโจรทั้งหลายรู้ว่าเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทก็พวกเราก็ไม่อาจจะคุ้มกันเป็นหมู่เที่ยวไปได้เพวกโจรก็รวมตัวกันไม่ได้เมื่อโจรรวมตัวกันไม่ได้ก็ จะแตกแยกนี้ออกไปบ้านบ้านเมืองก็จะสงบร่มเย็นเจ้าทั้งหลายก็จะเจริญเพราะฉะนั้นถ้ามันประชุมกันบ่อยๆอย่างนี้เจริญอย่างเดียว น, นี้เป็นข้อหนึ่งว่าจะไม่เสื่อมนะถ้ามันประชุมกันบ่อยๆแต่ที่สําคัญประชุมกันแล้วก็ต้องเคารพยำเกรงกันเนี่ยไม่ใช่ว่าแหมทุกคนพูดแหมเจ๋งกันหมดเลยเนี่ยนะไม่ใช่แบบนั้นต้องมีที่เคารพมีที่ยำเกรงเป็นต้นอันนี้ข้อแรกนะข้อแรกต้องหมั่นประชุมกันบ่อยๆ ก็ที่สองบอกว่าดูก่อนอานอนท์เธอได้ยินมาว่าอย่างไรเจ้าวัดชีทั้งหลายยังพร้อมเพียงกันประชมุมพร้อมเพียงกันเลิกประชมุมพร้อมเพียงกันทํากิจที่พวกเจ้าวัดชีพึ่งทาอยู่หรือหมายว่าตอนประชุมก็มาพร้อมกันตอนเลิกประชุมก็เลิกพร้อมกันเมื่อมีกิจเหล่าใดเกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือกิจของเจ้าทั้งหลายก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันวัดชีทั้งหลายยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ไหม ท่านนลก็บอกว่าข้อนี้ข้าพราะองค์ได้ยินมาว่าเจ้าวัดชีทั้งหลายยังพร้อมเพียงกันประชุมการพร้อมเพียงกันเลิกประชมุมหมายว่าประชุม ก, พม ก, ก, ก, พมก็พร้อมกันเลิกก็พร้อมกันพร้อมเพียงกันทำกิจที่พวกเจ้าวัดชีทั้งหลายพึงทำพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอนลเจ้าวัดชีทั้งหลาย ยังจักพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทํากิจที่ควรทําเนี่ยนะที่เจ้าวัดชีพึงทําอยู่ตลอดการเพียงไรดูก่อนอนุนเจ้าวัดชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้คือหมายว่าทุกคนเนี่ยเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีการประชุมทุกคนก็พร้อมเพียงสมัครสมาสามชิกันอธิบายว่า เมื่อกลองเรียกประชุมลั่นขึ้นเท่ากับกลองประชมุมเหมือนกันครับกองเพลงนะนะพวกเจ้าฤทธิ์ชวีก็จะทําการบายเบี่ยงว่าวันนี้เรามีคิดวันนี้เรามีงานวันนี้เรามีมงคลอย่างอันนี้เรียกว่าไม่พร้อมเพียงกันประชุมเออใครอยากไปก็ไปเถอะวันนี้ผมไม่ว่างอ่ะนะไอ้พวกอ้างว่าไม่ว่างทั้งหลายมีธุระทั้งหลายนี่เรียกว่าไม่พร้อมเพียงกันประชมุมหรือแต่พอได้ยินเสียงกลองอาจจะกําลังทานอาหารอยู่ก็ดีแต่งตัวอยู่ก็ดีนุ่งผ้าก็ดี หรือทานอาหารได้ครึ่งเดียวก็ดีแต่งตัวได้ครึ่งเดียวก็ดีกำลังนุ่งผ้าก็ดีพร้อมที่จะเข้าประชุมได้ตลอดเวลารือพ๊๊เข้าประชุมได้ทันทีอันนี้คืดเรียกว่าพร้อมเพียงกันประชุมมาใช่ว่าโอ้ยอ้อยอิงอยู่นั่นแหละส่วนผู้ที่เข้าประชุมก็จะคิดปรึกษากันทำกิจที่ควรทำแล้วก็ไม่เลิกพร้อมกันเรียกว่าพร้อมอไม่พร้อมเพียงกันเลิกประชุมเนี่ยนะ คือบางคนเนี่ยเข้าประชุมแต่เสร็จแล้วอีกคนหนึ่งพอประชุมไปได้หน่อยเรื่องยังไม่จบเรื่องหม่ถึงไหนเลยเฮ้ยลุกขึ้นกันไปหมดเลยบางอันแจากกันไปหมดเลยประชุมยังไม่เสร็จใครอยากลุกก็ลุกไปเนี่ยนะก็เลยไม่หาข้อยุติไม่ได้เรียกว่าประชุมแล้วไม่พร้อมเพียงกันเลิกไม่รู้ว่าข้อสรุปบรรทัดสุดท้ายของรายการประชุมเนี่ยคืออะไรหาข้อสรุปไม่ได้ต่างคนก็ต่างไปเหมือนน อันนี้คือว่าไม่พร้อมเพียงกันเลิกประชุมแต่ถ้าหากว่าพร้อมเพียงกันอย่างนี้พวกที่ไปก่อนก็จะมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราได้ยินแต่พูดนอกเรื่องบัดนี้ น, นะจะพูดเรื่องที่ทมีข้อยุติแต่เมื่อเลิกพร้อมกันชื่อว่าพร้อมเพียงกันเลิกบางพวกที่เลิกเนี่ยอุ้ยมันคุยอะไรกันเนี่ยอุ้ยทําคางแล้วเนี่ยปรึกษาเรื่องไม่เป็นเรื่องลุกออกไ ป, ไปก่อนเลยก็มีแต่นี้ก็หมายความว่าถ้าจะพร้อมเพียงกันเลกิกนะข้อพยายามหยิบเอาแต่สาระในการประชุม มาคุยเฉพาะแต่สาระอย่าให้มันย่นเยอะเกินไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็คุยกันมีขอบเขตมีข้อจำกัดแล้วก็อยู่ในกรอบอเมื่อประชุมกันเสร็จก็พร้อมกันเลิกไปเนี่ยนะอีกในหนึ่งได้ยินว่าความวุ่นวายหรือโจรมั่วสมการเข้าเขตบ้านหรือเขตนคนิคมที่โน้นก็จะได้ถามกันว่าใครจะไปทำการตราบปรามฝ่ายที่ไม่ใช่มิตรเล่าเรียกว่าอมิตรพวกศัตรูทั้งหลายเนี่ยนะ ต่างคนก็ชิงกันก่อนว่าเออเนี่ยข้าพเจ้าจะไปก่อนข้าพเจ้าจะไปก่อนคือถ้ามีปัญหาขึ้นมาทุกคนอาสาหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าพร้อมเพลียงกันเลิกเหมือนกันหรือบางทีก็บอกว่าถ้าหากว่าเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งมีงานขึ้นก็ต้องงดไปเจ้าที่เหลือก็ส่งบุตรพี่น้องไปช่วยกันให้กับเจ้าองค์นั้นก็จะไม่พูดกันว่า เ, เจ้าผู้เป็นอาคันตุ ก, กะปโปรดไปวังของข้าพเจ้าโน้นเถิด มันทุกอย่างก็จะมีการช่วยเหลือกันเพราะว่าจริงๆเจ้าเหล่านั้นก็เป็นญาติกันทั้งหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นเจ้าองค์ไหนมีงานเจ้าที่เหลือก็ส่งลูกส่งหลานไปช่วยงานกันไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีมงคลมีโรคมีสุขมีทุกข์อะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปอันนี้เขาเรียกว่าพร้อมเพียงกันทํากิจที่ชาววชีพึงทำเพราะฉะนั้นเจ้าเหล่านี้เนี่ยนะถ้ายังสามัสมัครสมานสามัคคีกันพร้อมกันประชุมสาระของการประชุมมีเรื่องราว แล้วก็ประชุมเสร็จพร้อมเพียงกันเลิกแล้วก็ประชุมกันบ่อยๆเนืองๆและถ้าองค์ใดมีกิจก็แปลว่าความสมัครสมานสามัคคีความปรองดองกันความเป็นพี่เป็นน้องความเป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาช่วยเหลือเกือ้อกูลกันทุกคนรักกันหมดเลยถ้าอย่างนี้บ้านเมืองเจริญแน่นอนไม่มีคำว่าเสื่อมเหมือนส่วนข้อที่สามข้อที่สามบอกต่อไปว่า ดูก่อนอานอน์เธอได้ยินมาว่าอย่างไรเจ้าวัดชีทั้งหลายยังไม่บัญญัติข้อที่ไม่เคยบัญญัติเอาไว้ไม่เพิกถอนข้อที่บัญญัติไว้แล้วยังสมาทานวัชชีธรรมแบบโบราณตามที่บัญญัติไว้แล้วประพฤติกันแล้วอยู่หรืออเมงไหมก็ประพฤติตามตัวบทกฎหมายหมดเลยใช่ไหมพระอานนก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผูดข้อนี้ข้าพระองค์ได้ยินว่า เจ้าวัดชีทั้งหลายยังไม่บัญญัติข้อที่ไม่เคยบัญญัติเอาไว้ไม่เพิกถอนข้อที่บัญญัติเอาไว้แล้วยังสมาทานวัชชีทำแบบโบราณตามที่บัญญัติไว้แล้วประพฤติกันอยู่พระเจ้าค่าพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนอนุนก็เจ้าวัดชีทั้งหลายจักยังไม่บัญญัติข้อที่ไม่เคยบัญญัติเอาไว้ไม่เพิกถอนข้อที่บัญญัติเอาไว้แล้วยังจักสมาทานวัชชีทำแบบโบราณตามที่บัญญัติเอาไว้แล้ว ประพฤติกันอยู่ตลอดการเพียงไรดูก่อน อ, อนุนเจ้าวัดชีทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้มาดูคําว่าไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติเนี่ยน ะ, ะไม่บัญญัติข้อที่ยังไม่บัญญัติก็คือเช่นภาษีอากรเรื่องพลีเรื่องอาทยาที่ไม่เคยทําก็มาทํำกันขึ้นเช่นเพิ่มภาษีรีดมากขึ้นเนี่ยนะหรือว่าพลีกรรมเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าประดมทุนหรือว่า บัญญัติกฎหมายที่มันรุนแรงให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นต้นที่ที่มันมันขัดกับระเบียบประเพณีเหมงอนกันเถอะบัญญัติข้อกฎหมายใหม่ๆซึ่งมันขัดกับหลักการเก่าๆเนี่ยนะถ้าอย่างนี้เรียกว่าบัญญัติในสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติแต่ถ้าหากว่าใช้ตามโบราณประเพณีทั้งหลายอันนี้เรียกว่าไม่ถอนข้อที่ท่านบัญญัติไว้ดีแล้วหมายเขาว่าเขาร่างไว้ดีแล้วไม่ต้องไปแก้ไขไม่ต้องไปเพิ่มเติมไม่ต้องไปสร้างอให้มันรุนแรงกว่านั้นอีกแล้ว เมื่อบุคคลถูกเขาจับมาแสดงว่าเป็นโจรก็ไม่ยอมมินิฉัยไต่สวนสั่งลงโทษโดยเด็ดขาดทั้งทีอันนี้เขาเรียกว่าไม่ถือวัดชีธทำโบราณประพฤตเพราะว่ากษัตริย์เมืองนี้เนี่ยระบบศาลเขาดีมากแล้วค่อยฟังต่อไปว่าระบบศาลเขาดีมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าอ่าพเด็จการเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยถ้าไม่มีการสอบสวนไต่สวนท่านบอกว่ายกตัวอย่างถ้าหากว่าเจ้าวัดชีเหล่านั้นเนี่ยบัญญัติข้อที่ยังไม่บัญญัติ พวกคนที่ถูกบีบคั้นด้วยภาษีใหม่เอี่ยมเป็นต้นก็จะรู้สึกว่าเราบีบคัน้นหมายว่าภาษีทําไมมันรุนแรงมันหนักเหลือเกินก็หมายเหมือนกับว่าถูกพวกเราเนี่ยทำมาหากินเนี่ยเหมือนกับว่าทํางานส่งเจ้ากันหมดเลยไม่พอกินพอใช้กันใครเนะาะจกอยู่ในแคว้นแคว้นของเจ้าเหล่านี้ได้ก็จะไปกันยังชายแดนบางพวกก็หนีไปเป็นโจรบ้างบางพวกก็ไปเป็นพวกของโจรบ้างแล้วย้อนกลับมาปล้นอีก เพราะอะไรเพราะว่าภาษีมันขู่รีดข่มเหงกันเหลือเกินเนี่ยนะก็เรียกว่าแปลจากออกฝ่ายดีก็กลายไปเป็นฝ่ายชั่วเพราะว่าไม่สามารถจะทำมาหากินได้แล้วนะทำได้เท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าผลผลิตผลกำไรทั้งหมดก็ส่งให้เจ้าทั้งหมดตัวเองก็เหน็ดเหนื่อยเปล่าก็รู้สึกว่าแม้ถูกกดขี่ข่มเหงไอการบัญญัติรีดภาษีอากรแบบนี้เขาเรียกว่าบัญญัติในสิ่งที่ไม่มีการบัญญัติขึ้น หรืออีกในหนึ่งก็บอกว่าเมื่อพวกเจ้าวัดชีทั้งหลายถอนข้อที่บัญญัติเอาไว้แล้วเช่นปกติแล้วบ้านเมืองเคยมีภาษีอากระเนี่ยเพิกภาษีเลิกประภาษีซะไม่ต้องเก็บสวยอากรแล้วมันก็ไม่ต้องมีภาษีอากรเพราะฉะนั้นอันนี้เรือนคลังจะเป็นยังไงเรือนคลังทั้งหลายก็เสื่อมเสียกองทัพก็ไม่มีเงินเดือนแล้ว้ทับช้างทับมา้าไถ่พลก็ไม่มี เรียว่าพวกข้าราชาการไม่มีเงินเดือนแม้แต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นเสื่อมแน่นอนเพราะพวกนี้ก็หมดเรี่ยวหมดแรงว่าไปทํางานรับใช้เจ้าแต่ว่ากลับมาก็ต้องพยาหาเลี้ยงนะตัวเองก็อุตสาห์ไปทํางานในวังพยาก็ไปเกี่ยวข้าวทําไร่ไถนาเลี้ยงตัวเองเนี่ยจะไปทําราชการไปทําไมเพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นก็จะไม่ไม่เป็นทหารไม่พร้อมที่จะรบเพราะฉะนั้นจะไม่คอยมารับใช้มาบํารุงบ้านเมืองอะไรก็ไม่เอาละอันนี้เรียกว่าอะไร เพิกถอนข้อที่บัญญัติแล้วฟรีภาษีวังงั้นนะนะบ้านเมืองก็แทบไม่มีข้าราชการก็หมดกําลังใจจะทางานเพราะไม่มีเงินเดือนสักอย่างเมื่อไม่ยึดถือวัดชีธรรมโบราณประพฤติหมายความว่าไม่ยึดถือวัดชีธรรมหมายความไม่ประพฤติตามตัวบทกฎหมายในการไต่ส่วนมินิจฉัยผู้คนในแว่นแคว้นก็จะพากันโกรธว่าพวกเจ้าทําบุตรพี่น้องของเราผู้ไม่เป็นโจรว่าเป็นโจรและขั้นอะไรนะ แพ้ทางหลายคดีแพ้เนี่ยนะก็เอาคนนี้เป็นโจรพระเจ้าข้าสังตัดหัวมันเลยเพราะมันเป็นโจรไม่สอบสวนสักอย่างเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็กลัวกันโอ้อยญาติเราไม่ใช่โจรสักหน่อยเนี่ยนะไปฆ่าญาติเราได้ยังไงพวกนี้ก็จะเริ่มเรียกว่าเริ่มไม่พอใจเพราะก็จะหนีไปกลายไปเป็นโจรซะเลยไม่เป็นโจรหาว่าเราเป็นโจรสั่งฆ่าญาติเราเพราะฉะนั้นเป็นโจรซะเลยหมดเรื่องพวกนี้ก็จะกลายไปเป็นพรรคพวกของโจรโจมตีชนบท